เราให้เพื่อนพากันตั้งใจความตั้งใจนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากความตั้งใจในหมายความว่าทำความรู้ตัวอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจนี่ มันชักจะลืมตัวนะตนคิดอะไรทำอะไรไปเช่นนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องตัวเองนะเนีดังนั้นนะันถ้าเราตั้งใจอยู่เสมอไปมันก็รู้ตัวอยู่เสมอตอนคิดผิดก็รู้คิดถูกก็รู้นะเน การทำการพูดมันก็เกิดจากความคิดไม่ใช่เกิดจากที่อื่นดังนั้นทุกคนต้องมีสติวควบคุมจิตใจตัวเองอย่าให้มันคิดเหลวไหลไปในเรื่องที่ไม่เป็นสารับประโยชน์ เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มันมีอยู่ผมไปในโลกอันนี้นะเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงเรื่องที่มันเป็นโทษนั่นเองนะหรือว่าไม่เป็นโทษก็เรียกว่าไม่มีผลอะไรการทำการพูดไปก็ไม่มีผลตอบสนองอะไรก็เสียเวลาไปเปล่าเปล่า แล้วนั้นเราพยายามควบคุมจิตให้เป็นปกติอยู่แล้ววันนี้เราคิดไปทางบุญทางกุศลทางเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็ไม่เสียเวลาไปต่อเปล่าเรียกว่าเวลานี่เป็นของมีค่ามากเนื่องจากว่าชีวิตนี่มันเสื่อมไปสิ้นไป อยู่เสมอไม่ใช่ว่ามันเจริญไปหน้าไม่ใช่นี่จะมันเสื่อมไปสิ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดไม่ควบคุมจิตของตนให้เป็นปกติแล้วช น, นีมันมันก็จะคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมากสอมากก็เสียเวลาสั่งสมบุญบุญส่ไปมากมาย ก็ให้คิดคำนวณอย่างนี้มันจึงไม่ประมาทคนเรานะถ้าเราได้ควบคุมจิตนี้ให้เป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลเช่นนี้แล้วมันก็ทำให้ความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นไปอย่างส ม, ม่ำเสมอไม่รุ่มรุ่มดอนดอน หมายพราะว่าร่างกายนี้เราก็รทนุถนอมไว้ทำแต่ความดีนะเช่นสำหรับผู้คร้องเรือนอย่างนี้ทำการทำงานอะไรก็ทำการงานแต่นี่ปราศจากโทษการงานนั้นอย่าให้ประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษต่างๆ การพูดอะไรก็ดีก็ต้องรู้จักประหยัดคาพูดถ้าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดมันถ้าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็จึงค่อยพูดเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มัวหมองเพราะว่าการพูดการจายนี่มันก็ออกมาจากดวงจิตต้นจิตเป็นผู้บงการ อะไรออกมาเนี่ยมันก็จ ะ, ะพูดได้ถ้าจิตนิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะพูดอะไรไม่ได้เลยไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีเหตุจำเป็นอะไรเราก็ไม่คิดมันก็ควบคุมจิตให้เป็นปกติอยู่ ปกติมองเห็นสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขทนได้ยากลาบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรก็ต้องควบคุมจิตได้ให้รู้ให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารนี้อยู่อย่างนั้นบางคนก็ว่าไอ้ครือหัดมันจะทำได้ยังไง เรื่องอย่างนี้ก็เห็นแต่พระนั่นแหละทําได้นั่นเป็นความเข้าใจผิดจะเป็นพระก็ตามเป็นคารยหัสก็ตามต่างคนต่างก็มีอวัยวะร่างกายเหมือนกันทุกคนและร่างกายอันนี้มันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมันก็ต่างแคบบ่เครื่องรุ่งเครื่องห่มเท่านั้นเองอืม แล้วกับฝ่ายนักบวชนี่โกนผมเท่านั้นเองฝ่ายครือขัดไม่ได้โกนผมมั่นแตกต่างกันเรื่องเพศเท่านั้นเองแต่ส่วนประกอบของร่างกายแล้วอันเดียวกันทนี่พูดถึงทางจิตใจเป็นครือขัดถ้าหากว่ามีบุญวาสนาบรารมี แก่กล้ามาดนบันดาลให้เกิดความคิดความผิดเจรณาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเช่นนี้แล้วก็ปล่อยวางขันทั้งห้าอันนี้ลงไว้ตามสภาพพอเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็หัดปรงหัดวางขันห้านี้ลงไว้ตามสภาพมัน แต่ก็ก็อาศัยขันหานี่ทำการทำงานอะไรอยู่แต่ภายในจิตใจหากไม่ได้ถือว่าเป็นตัวตนของตนนี่มันการฝึกจิตอย่างนี้นะมันทำได้ทุกเพศจะเป็นสมณะเพศหรือว่าขีหฮิตเพศได้เก่เพศครองหัดก็ทำได้ก็รู้ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ละ่ะ ของมันมีอยู่แท้ๆนี่ร่างกายอันนี้บุญกรรมตกแต่งให้มาแล้วนะออดังนั้นทุกคนจึงสามารถพิจารณาได้แต่ว่าส่วนมากนั้นมันไม่ค่อยพิจารณามันปล่อยจิตให้คิดไปทางอื่นนุ่งหนามากกวัวที่จะน้อมจิตเข้ามา เพ่งพิจารณาอยู่ในอัตภาพร่างกายนี่มันมีน้อยครั้งเต็มทีวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่ามีกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ที่จะน้อมสติเข้ามานันลึกดูตรวจดูร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่าบุคคลผู้มัวเมาประมาทอย่างว่านี่น่ะมันถึงได้ สะสมทั้งกรรมดีกรรมชั่วใสตัวเองไว้อว่าจะเจออะไรก็ทําอันนั้นไปตามอานาจแห่งตัณหาความอยากมันจะเป็นบาปเป็นโทษก็ไม่ว่าเอาถ้าคบกับเพื่อนใจบุญเอาก็ทําบุญไปไปคบกับคนใจบาปก็ทําบาปไปส่วนมากมันเป็นอย่างนี้นะใจของคนเรานี่นะ ถ้าผู้ไม่มั่นอยู่ในศีลธรรมจริงๆแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่แนะนำสั่งสอนนี่นะแนะนำสั่งสอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะั้นรู้จักเลือกเฟ้นกุศลและอกุศลที่เกิดกับกจิตใจนี่นั่นเราต้องภาวนาดู ถ้าความรู้ถึกนึกคิดอันใดมันเป็นฝ่ายอากุศลตนก็ต้องรู้เพราะความคิดโลภเร่ง<ๆ>เพ่งเรงอยากได้สมบัติของคนอื่นว่าเป็นของตนโลภในผัวโลภในเมียตนมีเมีย ม, มีผัวอยู่แล้วก็ยังไม่พอใจขออยับไปได้หญิ่งอื่นชายอื่นเข้าไปอย่างนี้นะ นี่ความโลภอย่างนี้มันมีอยู่ในใจไหมถ้าหากว่าผู้ใดมีอยู่ก็ต้องกำหนดละมันถ้าไม่ละก็ต้องไปทำบาปเพราะความโลภอันนี้แหละนี่แหละการเลือกเนนะอ้นผู้แสดงนี่ก็ประสงค์อยากให้ผู้ฟังได้เลือกเฟ้นความคิดความนึกความรู้สึกในใจอันนี้ให้ได้ เป็นความโกรธก็เหมือนกันนะทุกคนย่อมรู้เรื่องของตัวเองได้ดีว่าตนมีความโกรธอยู่ในใจมากน้อยเพียงใดเช่นเมื่อเวลามีเหตุกระทบกระทั่งเข้ามามันเป็นอย่างไรจิตใจนี่มันเฉยอยู่ได้ไหมหรือมันหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไรอ่ะมันต้องรู้ตัวเองแหละคนเราถ้ารู้ว่ามันยังหงุดหงิดขึ้นมาอยู่แสะดงว่าความโกรธยังไม่บรรเทา แต่ต้องพยายามกำหนดละความโกรธอันนั้นด้วยสรราะวิธีและวิปัสสนาวิธีสรราะวิธีก็ด้วยการสะกดจิตลงไปให้สงบนั่นแหละก่อนอื่นไม่ต้องคิดอะไรให้ลาบากเพียงแต่เพ่งจิตกำหนดจิตนี้เข้าไวอย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่น ให้มันตั้งลงไปในปัจจุบันนะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อเพ่งไม่ถอยจิตนี่มันก็สงบลงไ ด, ลด้ความโกรธความโลภอะมันก็สงบลงไปได้ช่วระยะหนึ่งถ้าเมื่อทาจิตให้สงบลงไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ขาดแตม่มันอ่อนกำลังลงมันไม่สามารถที่จะมารบพวนจิตใจได้ ความหลงก็เหมือนกันนะพอจิตสงบลงไปแล้วสิ่งที่เคยหลงมาจากก่อนนั้นก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะเชออ่นความยินดียินร้ายความเพิดเพินต่างๆหมดนะั้นก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วที่นาเห็นว่าเออตั้งแต่ก่อนนี้ตนมันประมาทอยู่จริงๆ อ, อ่ ไปเพิดเพลินมัวเมาหลงรักหลงชังอยู่ในของไม่เพียงไม่ยั่งยืนอบางทีก็ไปเห็นผิดหนักเข้าไปจนถึงกับว่ามองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปเลยนั่นะมั น, ม, นมันเป็นความเห็นผิดอย่างหนักนะอันที่เห็นหลงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะเพราะมันมองไม่เห็นในใจนะเมื่อมันมองไม่เห็นในใจแนละ้วมันก็ปฏิเสธอะคนเรานะบอกว่าไม่มี ถ้าผู้ใดไม่ได้มาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ท่องแท้แล้วนั้นจะมองไม่เห็นเลยบุญบาปนี้นะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็จึงต้องเจริญวิปัสสนาวิธีให้เกิดให้มีขึ้นในเด็กท่านที่สองหลังจากทำใจให้สงบระ ง, งับ ลงไปได้แล้วถ้าทําใจให้สงบยังไม่ได้ก็จะไปถอยก็ต้องเพียรพยายามทําอยู่อย่างนั้นแหละว่าแต่เราน้อมเข้ามาภายในเสมอเสมอไปนี่มันไม่เดือดริษยหดอกไปไปมันก็สงบลงได้นะแต่ถ้าว่าไปส่งคิดคิดออกไปข้างนอกบ่อยๆแล้วไม่ไม่สามารถจะทําให้สงบได้จิตเนี้ ดังนั้นจึงว่าไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยอะไรแต่ขอให้เรารู้จักหลักวิชาอันนี้ไว้ให้ดีหลักวิชาที่ว่าให้น้อมเข้ามาภายในน้อมลงในปัจจุบันนี้อย่าส่งออกไปข้างนอกนี่ไอ้วิธีสํารวมจิตให้เข้าถึงความสงบหลักวิชาตอนนี้นะต้องจําให้แม่น บางคนน่อภาวนาเข้าไปแล้วมันไม่อยู่เลยจิตเนี่ยมันพุ่งไปเรื่อยๆว่างั้นไม่อยู่เพราะว่าตนนั้นมันอ่อนแอไม่กล้าหารถ้าหาก็รู้ว่าใจมันอ่อนแอมันมันไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่ได้อย่างนี้ก็ทำจิตให้กล้าหารขึ้นสะกดจิตที่เข้าไปอดกลั้นไม่คิดมัน เอาใชความอดทนเข้าประกอบไม่อย่างนั้นล้วสงบลงไม่ได้จริงๆเพราะว่าตั้งแต่เราเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในสงสารอันนี้มันไม่ค่อยได้ทำใจสงบเลนะมีแต่ถูกตันหามันบันร น, นบันดาลให้คิดให้พุ่งแต่งอยากไล่อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเกิดมาชาติหนึ่งๆ น, นั่นนะแตมาตกเป็นชาติอย่างตันหายู่อย่างนี้ แล้วเราพอรู้ตัวแล้วจะมาทาจิตให้สงบประเดียวประดาวหนึ่งจิตใจจะรวมลงได้โดยไม่ต้องออกแรงให้ลําบากอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจเหตุผลอย่างนี้เพราะว่าตนได้สะสมกิเลสตัณหามานานแล้วขอให้คิดอย่างนี้ดังนั้นเราจะต้องภากเปียนพยายามสร้างคุณธรรม ตรางให้เกิดขึ้นในใจเพื่อเป็นกำลังใจนะสร้างขันติธรรมความอดความทนสร้างเมตตาธรรมความที่ปรารถนาอยากให้ตนเป็นสุกนี่แหละอันนี้ก็นวัาสำคัญนะโดยที่ตนได้มองเห็นแล้วว่าความสุขอย่างอื่นนอกจากความสงบนี่ ไม่มีความสุขอะไรที่จะยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีเลยเมื่อมองเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้พอใจที่จะพยายามทําใจสงบแบบ น, นี้เพราะเมื่อตนต้องต้องการความสุขนะอยากให้ตนมีความสุขนะเพราะว่าสุขอย่างอื่นก็อย่างว่านะมันมองเห็นแล้วมันเป็นสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนนะเมือ่อเมื่อสุขไม่ยั่งยืนอย่างนั้นแล้วเนะมื่อสุขนั้นหายไปทุกมันก็เกิดมาแทน มันก็เท่ากับ ว, ว่าไม่มีความสุขเพาว่าได้อะมันเป็นงั้นแต่การที่เรามาฝึ ก, กจิตใจให้สงบลงไปอย่าให้กิเลสมันมารบควนให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี่นับว่ามันเป็นความสุขอันมั่นคงขั้นหนึ่งทีเดียวแต่ก็ยังไม่มั่นคงแท้หรอกแต่ถ้าว่าหักมั่นคงกว่าที่เกิดความยินดีปิติในผลทานผลสินอะไรที่ตนทํามา อันนั้นมันก็ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองส่วนการที่ผูดด้ใดมาฝึกใจให้สงบลงไปได้เป็นหลักเป็นแหล่งเข้าไปได้อย่างนี้มันก็ฉลาดขึ้นสิวะนี้นะฉลาดรูด้จักอุบายวิธีทาใจสงบนะเพราะว่าเมื่อตนทาใจสงบในขั้นแรกนี้ลงไปได้แล้วอย่างนี้นะก็จำอุบายวิธีนั้นไว้ เมื่อทําภาวนาสมาธิต่อไปก็อ้าวโน้มใจไปตามกรรมวิธีที่เราเคยทํามาแต่ก่อนนั้นนะเรานึกอะไรเราเจริญกรรมฐานอะไรใจมันถึงสงบลงที่ล่วงแล้วมาเราก็นึกถึงกรรมฐานอ น, นั้นเราก็เพ่งแบบนั้นถ้าเราทาถูกทางแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยอะ่ะมันก็สงบลงได้ นี่มันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปทอถอยสร้างความเพียรควา ม, ม่ยายามขึ้นในใจถ้าคนขาดความเพียรแล้วคนทุกขไปไม่ได้อจริงจะไม่ได้พบความสุขอันภพ่บู์ผู้ที่จะได้พบความสุขอันภพ่บูนนะต้องพอะอาศัยคุณธรรมกระสางหมดนี้มาเป็นกาลังใจนะเราสร้างขึ้นมา สร้างความเพียรขึ้นมาแล้วก็สร้างความอดขึ้นมาด้วยแล้วก็สร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดมีขึ้นอันสตินี้จำต้องมีทุกเมื่อเลยนะแต่คุณธรรมอย่างอื่นนั้นจะบกพร่องไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่สติกับสัมปชัญญะนี่คุณธรรมสองอย่างนี้ต้องให้มีประจาอยู่ที่ใจเสมอเสมอไป จึงค่อยไม่หลงทางเดินนะจิตใจจึงไม่หลงไปในทางที่ผิดจึงดำเนินไปนทางที่ถูกเรื่อยไปถ้าหากว่ามีสติสมบัติแงกำกับอยู่กับกายกับใจนี่แล้วนี่แหละเรื่องคุณธรรมแล้วนี่อย่าไปพากนัะเลยนะอีก ทำอันหนึ่งอีกหิริโอตรประธรรมนี่ก็สำคัญมาก เ, เมื่อบคุคคลไม่ตั้งความละอายแก่ใจไว้ในการกระทำความชั่วทั้งต่อหน้าชุมนุมชนก็ดีหรือรับหลังคนอยู่แต่ตนผู้เดียวก็ดีนี่ถ้าไม่มีความละอายแก่ใจในการกระทำความชั่วแล้วมันทำความชั่วได้ทุกแห่งทุกหนนะคนเรา และทุกเพศด้วยจะเป็นเพศนักบวชเพศครือขัสก็ตามถ้าไม่กลัวบาปแล้วเขาก็ทำบาปได้อย่างว่านั่นแหอะถ้าไม่ละอายแก่ใจในการทำความชั่วแล้วมันก็ทำความชั่วได้ถ้าผู้ใดมานึกถึงเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ของตัวเองว่าการที่เราได้อาจจะภาพร่างกายเป็นมนุษย์มาเนี่ยนัน่าเป็นเกียรติอันสูงส่ง เพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี้หรือจะเป็นผู้วิเศษอื่นๆใดก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ดังนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้แต่เราก็สามารถจะเป็นผู้วิเศษได้ถ้าเราละกีเล็ให้เมาบบางออกไปจาก จ, จิตใจไปเรื่อยๆนะ ดังนั้นไม่ควรที่จะลืมตัวข้อนี้นะควรนึกไว้เสมอไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะดูถูกตัวเองเข้าไปไอ้อตอนเองนี่ไม่มีคุณค่าอะไรเท่าไหรอกบุญน้อยนะวะทำอะไรก็ไม่จเจริญงอกงามไปได้เลยหอกคิดอย่างนี้แล้วก็เลยทอดทุละกับตัวเองไม่พยายาม สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจดังกล่าวมานั้นก็เลยทำทั่วไปได้ไม่กลัวต่อบาปต่อกรรมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่้งๆวันนี้นะนั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าหิริโอตตปะธรรมเนี่ยแล้นะว่าเป็นคุณธรรมที่ขาดจากจิตใจไม่ได้เลยพุทธศาสนิกะชนทั้งหลายควรสร้างคุณธรรมสองอย่างนี้ให้มีอยู่ในใจทุกเมื่อเลย มันถึงจะไม่ได้ทำบาปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ทำบาปแน่นอนนะอืเป็นงั้นดังนั้นอนะ่ะมันมันเป็นอย่างนี้แหละอันข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะเป็นหลักวิชาแท้ๆพระองค์เจ้าก็วางไว้เพียงเป็นหมวดสามเท่านั้น อาฝายกระลือหัดก็ทานศินภาวนาฝ่ายพระสงฆ์ก็สีนสมาธิปัญญานั่นเป็นหลักวิชาแบบนี้แลวะวันนี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติตามหลักวิชานั้นไปมันก็ต้องสร้างคุณธรรมดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมาสมทบกับหลักข้อปฏิบัตินั่นด้วยเสร็สร้างขันติธรรมขึ้น เมื่อกี้เลสมันลบกวนมันจะให้ทำลายสินอย่างนี้เราไม่ยอมทำลายเราอดกั้นทนทานไม่ให้จิตมันยินดีไปในบาปอาคุลนั่นนั่นนึกถึงความลักอายแก่ใจนึกถึงความกลัวต่อความทั่วที่ทนทำแล้วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์บ่อยๆมือนี้นะ ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแนละ้วมันก็ไม่ทําบาปคนเรานะ่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันมันได้ลุ่มหลงทํามาแล้วแต่ก่อนก็ตั้งความเพียรพยายามละมันไปเรื่อยๆอเมื่อตอนเพ่งพิจารณาดูว่าตนได้ทําบาปกรรมมาจริงแต่ก่อนนั้นนะแต่ว่ามันเป็นเพียงละหกกรรมกรรมเบาไม่ใช่กรรมนัะ เช่นฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นนี้ไม่มีอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าเป็นกรรเบานี่พระศาสดาทรงตรัสว่าละได้บุคคลสามารถละได้ไม่ใช่ละไม่ได้พอรู้อย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละมันไปแหละพระศาส ด, า, สด า, สาไม่ได้โกหกใครถ้าพราะองค์ว่าอย่างไรแล้วย่อมเป็นไปอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าผู้ ฟังคำสอนของพระองค์แล้วซ่องลงมือปฏิบัติตามจริงๆจะไปทำเล่นๆมันไม่ได้เพราะว่าสิเลตันหามันก็มีอำนาจไม่ใช่น้อยนี่ถ้าเราไม่สร้างอำนาจไม่สร้างคุณธรรมเป็นอำนาจขึ้นในใจอย่างแรงกล้ามันก็ทู่ออำนาจของสิเลสไม่ได้จริงๆนี่นะอานี่แหละให้พากันเข้าใจนี่แหละเป็นรักบวช บางรูปอย่างนี้ก็อยู่ไม่เป็นถูกเลยไปที่นั่นจะสบายก็มัง้งเหอวัดไปอันไปอยู่แล้วตนประมาณนี่ไม่อดไม่ทนไม่ทำความเพียรมีแต่เกลียดคล้านเสียเป็นส่วนมากเห็นแต่แกหลับแกนอนอย่างนี้นะไปอยู่ที่ไหนมันมันก็ไม่ฟังกิเลสมันก็ต้องครอบงมจิตอยู่ในที่นั้นนั้นละ แม้จะไปอยู่ป่าเขาลำนาภัยเงียบสงัดเท่าไรกิเลสมันยิ่งพุ่งใหญ่เลยถ้าหากว่าประมาทแล้วนะนั่นแหละมันก็ยิ่งเดือดร้อนใจมากมันเป็นอย่างนั้นถ้าพวกไม่ประมาทหาโอกาสสร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจประกอบกับหลักข้อปฏิบัติ ด, ดังกล่าวมานั่นนะครับ ก็สามารถเอาชนะกิเลสได้เมื่อใจมันสบายใจสงบใจรู้ใจฉลาดขึ้นมาแล้วนี่อยู่ไหนก็สบายแบบนี้ไม่เดือดรอ้อนอผู้อยู่ในบ้านเมื่อขจัดบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจได้แล้วตั้งหน้าบําเพ็ญแต่บุญแต่กุศลไปนี่ก็สบายผู้อยู่ครองเรือนก็สบายตามสภาพของผู้ครองเรือนนั่นแหละ สบายเขาว่าไม่มีบาปมารบกวนใจแต่มันก็ไม่สบายอย่างอื่นอันไ ม, ไม่สบายเกี่ยวกับการกับงานการหาเงินหาทองอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อยู่ธรรมดามันล่ละแต่ว่าขออย่าให้เป็นทุกข์ครอบบาปกรรมมันครอบงมจิตใจก็แล้วกันถ้าปล่อยให้บาปกรรมมันครอบงมจิตใจไว้อย่างนี้มันจะต้องได้ไปสบยทุกข์ในโลกหน้า นานแต่นานต่อไปไม่ใช่เป็นทุกข์อยู่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอันนี้สาคัญมากนั่นแหละดังนั้นผู้เป็นครือหัดครองเรือนอย่างนีนะ้มันก็ควรพิจารณาให้มันเห็นเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยให้เห็นด้วยใจของตัวเองแท้ๆถ้าไม่เห็นด้วยใจของตัวเองแท้มันก็ละบาปไม่ได้ บำเพ็นบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้เพราะว่าบาปหรือบุญมันไม่มีรูปร่างอะไรอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นเนี่ยมันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นกับดวงกิตนี้ดังนั้นนะบุคคลจึงจำเป็นต้องภาวนานั่นเนี่ย น้อมจิตลงสู่ความสงบลงไปแล้ววันนี้ก็จะมองเห็นแหละอารมณ์อันเป็นบาปเกิดขึ้นในใจก็เห็นอารมณ์อันเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในใจก็รู้ก็เห็นเมื่อรู้เห็นอารมณ์ใดที่เป็นบาปก็กำหนดละอยู่ในใจนั้นเลยอารมณ์ใดที่เป็นบุญกุศลก็พยายามกำหนดประคองไว้ให้ใจมันอยู่ ด้วยบุญ ด, ด้วยกุศลอันนั้นมันก็สงบจุเย็นสบายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเขานี่